วันนี้ขออนุญาตทุกท่านตั้งใจทั้งคำอธิบายสัจจะทีวันนี้เราจะพูดมาเพื่อน้อเป็นว่าการเจริญก็จะบันฐานแบบที่ตัวขอรล้รักฉันและท่านพุทธบริษัทที่ปฏิบัติแล้วให้พยายามสืบผล ควบคุมกําลังใจต้องตื่ให้แจ่มใ้อยู่เสมอไม่ว่าทิฏฐิปุญญาคนดีไม่ว่าอภิญญาณคนดีไม่ว่าสมาธิปกติค น, นดีถ้าเราทาได้แล้วถ้าไม่มันสักไม่มันซ้อมไม่ดีสุดมันก็สลายตัวกําลังใจของเราจะตกไปในภายใต้หน้าของที่ชั่ว พย า, ายามนั่งสงวนเพราะนั้นองคสงเมเด็จพระจนวรวรรณจะได้จงแนะนำว่ า, าการทรงสมาธิได้แลว้วก็ดียอดทรงสัญญายสมาบัติได้แลว้วก็ดีต้องสักซ้อมทำบ่อยๆในคมายความว่าท่านที่ได้แล้วเนี่ยวิธีปฏิบัติที่เบาปฏิบัติกันมาแล้วไม่มีการเสี่ยงนั่นก็คือก่อนครับ ต้องรูโดยกำลังใจเต่มที่ใช้รมจิตของเราตามกำลังที่เราได้ไปทุกทบได้เฉพาะอย่างนี้ให้จิตใจจะติดจุที่พ่ินฝันเป็นปกติแอ้วกลับได้ตื่นขึ้นมาในใหม่พลินรู้สึกว่าเจ่มนมาแล้วพักไม่ต้องลุกมานั่งก็ได้กำลังมออยู่อย่างนั้นจับ ก, กำลังใจพวกคุมสมาธิทันที ร่างตัดตัดคัอห่าด้วยทำมาตัดคั้ห่าฉั น, อนบอกคนที่ได้แล้วนั่นไม่มีอะไรยากอดี๋ยวไปตัด ม, มันรุ่มร่างเลยตัดไ ม, ม่ง่ายเดียวว้ายากายเราไม่ประสบตกหาความจริงได้สัญญาต่อปัญญาลายกายคนในสัตว์หมดสุขกทั้งหมดลายกายอุคนรนสัตว์ที่สทเสียมสนสุขตกเลยสุขตาย รเราไหวเขาจตายหรือไม่ตายเน่ยใช่เขาเราตายแน่ร่างกายเขาจะไม่ในสุขบกก็ไม่สุขบก็ใช่ร่างกา ย, ยานนสกกุขบ ก, ก, ก, ก, ก, กแน่มีความสุกโสนแน่มันชุกแน่เป็นแม่ร่างกายที่ประกอบกันได้เท่าเสียการทั้งสองเทียบ ก, กันคำพางเราไม่ต้องการมันอีกจุดที่เราต้องการมีจุดเดียวคือพระนิพพานมนึกอย่างนี้ได้ก็รวบรวมกํลาลังใจไปสมาธิ ถ้าสามารถจะทําได้แล้วก็ควรจะทำให้ได้เลยนั่รก็คืจับภาพพระใน อ, อกให้เห็นเป็นแจ่มใสเป็นก า, น า, ยายเป็นปกติและวล า, าเวลาที่เราเดินไปเดินมาทํา ง, งานอยู่อะไรอยู่เนี่ยมันไม่คมืมาภาพแต่จะไม่เห็นภาพใน อ, อกเป็นได้ทันทีแจ่มใสทุกขณะก็ต้องทําไป อ, อ, อย่างนี้ไนหะที่ทก็ทํากันได้แล้วก็ส่งอารมณ์ไม่ได้ดีก็ทำกันแบบนี้ นั่งอยู่ยืนอยู่เดินอยู่ทำงานอยู่กินอยู่ชีสอยู่ก็ตจันน์แล้วถึงพระพระถึงต้องใช้จังไสข้อพระที่อ ย, ยไรเห็ภายในอยมันเทียบกับอารมณ์จิตของเราถ้าอารมณ์จิตเราดังเร็วมากเราไม่สามารถเห็นภาพภายในจิตใน อ, อกเาได้ถ้าจิตของเราดีน้อยะ จ, ะ, ะ, จ ะ, เอะเห็นภาพพระอย่างใครงมตุลูกชีเหลืองก็เหลนองแบบนี้มี่ก็เล่นดี เป็นเรือุปารสมาธิแต่จิเข้าเดนเด่นชัสมาบัตเห็นภเป็นสีใสถ้าวิจานณายามีจะใสเป็นเลยตายเหมือนกับต้องแสงพระอาทิตย์เรื่อเรื่องบหนวกจิตอีกของเราตรงนี้จะต้องชำระในตลอดวไม่ใช่จะไปชำระเฉพาะเวลาที่จิตจะมาถ่ายตําแหน่นี้ราหลาดไปคิดน่ เพื่อทำงานทำการอยู่ไม่ขนมาวันใดตัวเนอยเนื่อคัญสุดรื่เหนยเท่าไรยิ่งจิตใจจ่มใ้มากเท่าไรพ้นยีเราเตรียมตัวว่าเวลาเราจะตายแต่เราเลือกเวลาตายไม่ได้เราอาจจะตายเวลาที่สงบสงอาจจะตายเวลาเขาร้องรำทำเพลงกันอาจจะตายเวลาที่เขาทะเลาะเบาะแว้งกัน อาจจะตายที่เรากำลังเหื่อยอาจจะตายกำลังร้ออาจจะตายกำลังเฉียดแรงเพาะอะไรตายเมื่ออาการที่มันทุกข์หนักในเวลาไหนเวลาน้นจับกาลังใจจันใส่เพื่จับต้ า, ตาป้าในอกใจัใส้พักเกในที่สุดอารมณ์จะคล่องนึกภาพใส่นึกภาพใส่นึกใช่ได้ใช่ได้แล้วมันจะเล็กนะไหมแม้แต่พ่อทหารยังต้องทําหนื่ เอเพื่อวัดจิตเพื่อตัวเพื่อปันโยสุขตลอต้า น, นานเมื่อต่อมาก็ขอผู้กัมมินดาญาติโยมพูดยังปฏิบัติไม่ได้เมื่อขนาดขึ้นข้าีปฏิบัติได้แล้ววม่ไปเที้ยเนี่ยเมื่อไปเที่ยงยิ่งปฏิบัติได้แล้วแค่นี้ทำพยียามให้มันดีถึงที่สุดเ พ, พืเ่อวามเพื่คนเก่าก่อนถ้ายม่ดีถึงที่สุดมันดียังไง ยัง ก, างกลามาชัพระลายละเดิน่นอำนาจวิธีทายาทความเบื่อหน่ า, า ย, ย, าาน ห, นยห็นร่างกายสุกบกแล้ได้การโทรสั่ไปเห็นว่ามันเป็นโทษรอยยับ ย, ยางแมา่ไม่เกิดอย่างนี้ยังไม่ดีตัวดีที่สุดก็คือฉันขาลูกปีขาใหญ่โลกกรรทำแต่ใจการเยี่ยเข้ามาถึงเรามันไม่กระทบจิตมันเฉยๆเห็นคนก็เฉยๆ เหนสัตวก็ไปใช่เห็นแล้วเขาไปใช้สูงก็ไปใช้ใช่ใช่ใชไม่ใชอะไรนี่คือเหตุผลเอเองคนเห็นเหมือนเห็นเมืนวัตถเองสักศิลป์นั่นายเร่งเหมนของไม่มีาตุที่นั้นไม่มีอะไรจิตใจอารมณ์สบายร่างกายจะเป็นทุกข์ใจก็ใช่ใช่ร่ากายจะไม่สุขใจก็ใช่ใช่ ใครที่ไม่าเท่าทานเสร็ก็เฉยเฉยไอ้ไม่เอ า, ามีที่สุดมีที่สุดมีโลตรงมี้ียามทำเอาใเ้มันค่อยๆเฉลงไเปเพราะฉนันว่าเราไม่หวังไหวแล้วโน ก, กระทาแตกใช้ได้โน ก, กระทำแตกแล้วก็าลาบไปขี้ไม่ดีใจลาบไปไม่เสียใจได้เยอะงายไม่ดีใจถ้าถูกพอเยอะไม่เสียใจ กวามมุ่สุเกิดขึ้นไม่ดีใจความทุกข์เกิดขึ้นไม่เสียใจท้านิพพาไม่โตสังเมไม่ยิ่งดีมีรังเฉลยแม่ข้าเร ม, มันเฉลยวัฏจารไม่ได้ใช่ได้เราเป็นตารียาเบ้อสูงด้วสำหรับญาติโยมใหม่ก็เช่นเดียวกันต้อง บ, พบาพิจารณาเหมือนกันเพราะว่าอย่างนี้ญาติโยมใหม่และเก่าศีลจะเรื่องสาคัญ ต้องทรงเฉียนบริสุดเป็นปกติเมื่อคราวนี้ก า, าใรใช้คำภรณนาโดยเฉพะอย่างนี่ถ้าเราจะจิตสุาาขัญญาก็ต้องใช้ภรวนาจากัดถ้าภาวนาได้แต่ะมักเข้ัเวลาภาวนาก่อนนิทรรศภาพแนะนาท่านให้ใช้อวัตใจสบายสบายอย่าให้มันเดิอดร้อนจะได้ไหรับ ให้ใจแบบปกติให้ใจเท่านึกว่านักมักให้ใจออกนึกว่าพลาดพตอนนี้ยังไม่ต้องกายคิดอยาจะรู้อย่าจะเห็นอะไรทั้งหมด่ใจและจิตมันเป็นสุขเวลาที่ครูเข้าไปแนะนำตอนน้องวางคำภาวนาเสียทันใจสะบัดสบายฟังคำแนะนำของครูเมื่อครูเขาแนะนำอะไรไหจิตใจจะต้องน้อมไปตามน้ำคำที่ เจอฐานการกลายเป็นทุกข์ไหมไอ้คาว่าทุกข์อะไรก็ตามที่มันต้องทนแล้วมันทุกข์เท่านั้นคนนั่งก็ทุกข์คนกินก็ทุกข์คนนอนก็ทุกข์คนใดก็ทุกข์ไอ้ทุกข์ตัวนี้คนมันมีอยู่แต่คนไม่เคยเห็นทุกข์กันมันเลยนี่ที่พระพุทธเจ้าตบัสว่าคนที่มีสัญญากับรัญญาตามเลยมันเป็อย่างนีทุกข์มีทุกวันหิวข้าวทำไมสุขเพามันทุกข์ เราไม่ดกินรักษาวันเดียวปวดต้องอขี้มันสุกเพือมันทุกปวดแล้วเราไม่ไปขี้แล้วไปทามันไม่ทุกมีทุกตัวนี้มันมีทุกวันถ้าเราไม่มีร่างกายนี้มันจะมีอะไรรกินมีอะไรขี้ดังนั้นว่าครอว่าถามว่ทุกไหมจิตแลตนน้วก็าลังตั้งแต่เกิดมามันทุกมาใหลอดมองให้ เ, เห็นความทุก ไม่มยาตัดอารมณ์ทอความทุกปุถีไม่ต้องกายความปวดต่อไปจิตใจหวังพร้นิพพานเป็นอารมณอะไรต่อทนม่ไปขมบรรดา ย, ยากิโยมพุทธบริษัททุกท่านตั้งกายให้เปลืองำลังจิตให้หม่สำหรับท่านที่ได้เวรแล้วรวบรวมกำลังใจตัดทันท้าเพื่อไม่ห่วงใยใน ม, น, ม, น, ม น, น, น, นุษโลกแล้ว่ากานี้ไม่ห่วงใจในพิมโลกไม่ห่วงใยในพิมลโลกเราต้องกายจุดเดียวอพระนิพพาน ไม่เป็นบรรดาญาอิโยมผู้ต้องการสวดทุกท่านที่ยังมาใหม่ก็เช่นเดียวกันตัดขีนใจให้เวลานี้ขึ้นที่ว่าความเกิดแบบนี้มันไม่ดีมันมีแต่วันนี้โวยมันมีความทุกข์ใจมีความรักของใจมีขัดใจที่มีความตัดสนาบไม่สมหวังไม่มีความภายในที่สุดเราไม่ต้องการมันีกและเราก็ไม่ต้องการในวันาวเราก็ไม่ต้องการในพรหมสิ่งที่เราต้องการคือมรรค ทำใจให้แม่แบบนี้แล้วก็เรื่องภาวนาวันนั้นมาว่พระต่อไปอ้าต่อไปนี้ไปขบันดาขึ้นหลายหลายเรี่องปฏิบัติได้อ้าวต่อไปขบันดาต้นสุดวันศตรูหลายฟังคำและนั่ในการเจริญพระเรรมทานสักสิบนาทีสิเอ็ดวันนึงก็พอพูดโดยย่อ การเจริในกรรานแบบนี้ผิดกับการเจริญแบบมาบุคคลนิพิโกเปการเจริญในด้านเเวิชโยกัณฑะมิโยบวกกันแน่นแบบในการเจริญปฏิบัติจึงริดิกันอันดับต้นเพราะมันได้สังคุตตานิยมในชนที่มามา ยังไม่สราบให้รู้จักการกำหนดหระหว่างอารมณ์จิตของตัวแต่อารมณ์จิตที่เราจะใช้ในการจะเป็นวัตถุรูฐานให้ดีต้องเป็นอารมณ์จิตช่างจำไม่ใช่แค่อารมณ์จิตช่างลืม่อยคำเข้าคู่กับสั่ส เขาสอนไปได้ยังไงที่ครั้งจำให้เลยหมดไม่ใช่ฟังไปแล้วก็ลีมฟังแล้วก็เดีสงสัยนึกว่าทันโน้นนึกว่าทันนี่ไม่มีสภาพของความจำอย่างนี้ที่สะกดชาติก็ไม่ได้เพราะว่าไม่มีความจริงใจการเจริญสุญญาสมาบัตินี้ต้องคนเอาจริง มัมีความเด็ดเดี่ยวทั้งจำทั้งคิดทั้งวิจัยและขยันในการปฏิบัติมีความฉลาดในการพิจารณาอารมใจของตัวไม่ใช่สัตว์ว่ามาทำเขาพูดให้ฟังเขาสอนให้ฟั ง, ฟ ง, ฟงแล้วังจำไม่ได้บางทีกลับไปถึงบ้านเอาไปทิเสีย รับนามใหม่มาถามใหม่อย่างนี้ท่านนักไม่สนใจคนประเภทนี้เพราะว่าของดีนี่จะเจ้าไม่อยู่กับคเนเลวถ้าคนเลวจะไม่สามารถรักษ า, าของดีไม่ได้ตามเรื่องราวและเรื่องของโมหสดท่านบรรคาและกินรีกับสีริกคือนิ่งขันอยู่ร่วมกันไม่ได้ทั้นใด แล้วทำไมขายพระองค์สำหรับจะสมาธิจเจ้าก็จะอยู่กับคนเลวไม่ได้เช่นนั้นเรียนรู้ว่าปฏิบัติฝึกไปได้แล้วก็เอาไปทิ้งเสียแต่ว่าทางสมณะก็จะหนักใจเีว่ามีหน้าที่ในการให้ก็ให้ไปแต่ว่าไม่ค่พอใจคนประเภทหนึ่งที่สอนไปแล้วไม่จำเอามาถามไม่บ่อยคนว่าจทนี้ไม่ชอบ ก็มีสันดานไม่จำไม่เอาจริงเพราะเป็นได้ถ้าพุทธบริษัทก็าะไา้ถ้าจะเรญยนพระกรรมฐานให้ได้ดีจงจำคำและนำสั่งสอนเขาครูผู้แนะนำแม่ธรรมกายู้ดีให้ครูเขาเขาไปสอนก็ดีเขาสอนแบบไหนจอได้จิตเราเคลื่อนไปพุจุลามุนีได้ถละไม่ผ่านได้ เวลาจะสปฏิบัต่อยู่ตามปกติต้องคุมอารมณ์แบบนั้นไม่ให้เป็นปกติไม่ใช่เพือเพือไปเล่นไปเพื่อที่เล่นเอาไปคล้องดีเข้าไปโยนทิ้งลงท่ ว, วมไม่ได้สนใจเวลาเขาสอนไปจะไปต้านหน้าตรงใส่อะไรกันอีกว่าไปถึงบ้านจะทํายังไงไปถึงบ้านก็ทําตามเดิมเขาสอนไม่ยังไงเราขึ้นไปได้ทําใจให้ตรงอยู่ระดับนั้นไม่ก็ไปได้สุดั้ง แล้วจะไปได้ดีขึ้นตามอันดับเมื่อหน้าอันดับเต้นขมันดาเดินพุทธศาสนาเพื่อท่คอยตั้งใจเอาจริงฟังคําสอนและจําให้มันได้จริงจริงแล้วก็ปฏิบัติจริงมีอารมณ์จิตแน่วแน่จริงจริงเอาจริงเอาจังกันแไปต่อไปนี้สําหรับท่านที่ทรงได้แล้วหรือไม่ได้ประาับ การจะโซนจิตให้เป็นสมาธินั่นอันดับแรกจะต้องรักษาลงใจขอเราให้ดีเสก่อนถ้าลงใจที่ดีก็คือไม่สนใจกับกิริยาของบุคคลอืน่นใครเขาจะดีใครเขาจะวดสั่งเขาใครเขาจะมีพาใครจะสงเสริมก็สั่งเขา มีหน้าที่อย่างเดียวรษาลมใจพวกเราให้ไม่ไปยุ่งกับความชั่วและการรการนี้สองจะต้องมีสินบริสุดธิเปนปกติสำหรับถึงขั้นขั้น้นปฏิิปฏิบัติระดับต่ำคือปฏิเชินขั้นต้นจะต้องทรงสิห้าให้บริสุทธิ์เป็นปกติ อไม่ทําลายศีลเองไม่ยุโยงใุ้คลอื่นให้ทําลายศีลแล้วก็ไม่ยินดีเมื่อคนอื่นทําลายศีลนี่เรื่องขอศีล น, นี่เปเ็่องหนักมากเพราะว่าศีลข้อใดข้อหนึ่งถ้าบกกร่องเราก็ลงแล้วต้องจะไปสวรรค์พันธุ์พานได้อย่างไงการเข้าวัคซเราไม่มีไม่ได้เป็นสัญลักษณ์บอกว่าคนนั้นศีลไม่บริสุทธิ์ เทั um galaxies, player, ้งว่าท่านหลายๆท่านมีศีลไม่บริสุทธิ์เลยก่อนตั้งใจทุตระเวนานี้เป็นต้นไปว่านับเทระบับนี้เป็นต้นไปยิ่งกว่าเราจะสิ้นลมปราณเราจะทรงศีลห้าบริสุทธิ์คือไม่ทำลายศีลไม่เกิดนาตั้งใจทุตระเวนดานี้เป็นต้นไปแล้วในกรนีสองลราจะต้องมีลมณ์แน่วแน่จริงจังต่อพระธรรมทาน ทั้งเก่าทัาไหม่เหมือนกันเก่าก็ไม่แน่นะักถ้าเก่าลายตามันมีราคาเก่ากันลาใช้ไม่ได้เก่าลายตามหมายความว่าตะกูเขาสอนก็ได้อย่างนี้เราก็กลับไปทำให้มันจมใสดีเป็นสิ่งที่ไกลเก่าลายตาม้ต่ละเก่ากันลาตะกูเขาสอนไปไปได้เพื่อจะวันที่พรมโลกนี้ผ่านลงนรกไปไหนไปไหนก็ ไ, ไ, ไ, ไปได้ เราต่อต่อไปไปไหนไม่ได้เลยอย่างนี้เรื่องเก่ากันลาถ้าเก่าไรความดีเก่ากันลาใช่ไม่ได้เพราะฉะนั้นท่้งเก่าและใหม่ให้รู้จักรักษาลมใจมีความแม่ๆในจิตคาว่าที่วันที่วันที่ฟังช่ทยดีกว่าเสิยงจิตทีวันมันจะเป็นยังไงไม่ต้องสนใจ นสนใจอย่างเดียวว่าเวลานเวลานี้นนนทุกวันทุกนา ใ, ใจเขาออกเราจะเป็นผู้มีสิ่งบริสุทธอรมใจเขาบอกคนดใดเจริญญาเขาบอกคนใดจะเป็นยังไงดีที่ชัว่วจังเขาเราแล้วขอกำลังใจให้ทรงสีลให้เป็นปกติการเลิกถึเสียงเป็นปกติก็เรียกวิาลาลุสติกกรรมาฐาน หลังจากนั้นเป็นต้นไปก็ตั้งแต่เวลาทำสมาธิจิตตุีที่พนายางโกดีตอนนี้เราก็งอณ์จิตเฉพาะให้เป็นเอกาสตาลมเอาความจริงเข้าใจกันไม่ใช่ว่าศักดิ์แตว่าธรรมไม่ไหวรักษาอารมณ์จิตไม่อยู่อารมณ์จิตมันตายให้เราจะรู้ใจทำไมไหวตอนนี้ก็ตายจิต ท ำ, ทำไม่ได้เพาะเาทำทำไมเรา้มันลงแล้วปริเพื่อที่จกาา้าวไปสู่การทันใจทันสบายใคนชอบๆๆบ้าก็ทำไม่ได้เราก็เรวเต็มทีเราต้องเดินทั้ง บ, บ้านเนี่ยเขามีกี่นิ้วเรามีกี่นิ้วเขามีหูมีตามีจิตใจเรามีเหมเขาไหมถ้ามีเหมือเขาไม่ได้ทำได้อย่างเขาคนที่เขาทำได้ไม่เขาที่เราท ไม่สร้างความข้อแท้มันเลยดังนั้นเวลาที่ควกคุมกําลังใจเป็นสมาธิตอนนี้เราต้องต่อสู้กับกิเลสอย่างหนักเราต้องไม่ยอมแพ้มันคือว่าในขณะที่เราภาวนาและพิจารณาอยู่ตอนนี้ให้จิตมันอยู่ที่ภาวนาและพิจารณาอย่างที่ถ้าปฏิบัติจริอยู่นี่ การปฏิบัติในผลอันดับแรกคือกำหนดรู้ลให้ยใจเข้าออกเวลาหายใจเข้าน God, ori, fünf, ึกว่าละมะเวลาหายใจออกนึกว่าภาคะวงความว่าใช้คำภาวนาวันละมะภาทะทาให้มันถูกนะเวลาที่เราภาวนาอยู่ก็รู้ลมหาใจเข้าออกเวลาหายใจเข้านึกว่านะมะเวลายใจออกนึกว่าภาคะ ใคระมัดระวังแย่จิตเป็นสั้นไปตัวเราเองและสารามเส้นข็งของจิตไว้ไม่จะไหโยเยโยเยโยเยคุ้มไม่ได้หรือสารไโยที่เป็นชอบคิดด้วยอย่างนี้เขาเรียกบัดเป็นเศษนาใบกุบด้วยจิตเป็นชอบรองชั u, som, hai, ่วโยเยน่ารองชั aw, ya, pack, tam, u, ek, aw, ่ว ทำไมวันเทวันในยชัเวโมงละเจ้านาทีสิบนาทีแล้วยะคุ้มให้จิตมันอยู่ในด้านของความดีไม่ได้เลยวันเลยย่สิบสีชั่วโมงแต่ว่าเราประจิตมันตั้นไปตลอดยี่ิสี่ชั่วโมงแต่อีกยีสิี่ชั่วโมงเราขอมันสักจิตนาทียี่สิบนาทีแล้ขอหยุด อ, อ, อารมณ์นายจะฝ้าอารมด้านดีแล้ทําไม่ได้เลย ถ้าทำมได้ก็พยายามตัวเองได้ว่าตายตายนี้ลงอาวีีกันแน่และก็อีหลายแสงกับที่ได้กลับไปทีมนุษย์นี่ไม่ใช่แสงไฟจริงเพราะเรดีทำมัได้ทำได้แตวความชั่วมันจะไปสวังเกินมนุษย์กันได้ยังไงเตนลงรายบภูมเวลานี้เล็กๆเล็กๆเขาได้ดีกันเยอะๆเออเมดแม่เยลยนับไ่ได้จะเป็นร้อยเป็นพัน เด็กว ja ัยรุ่นแทนที่จะมีความอมสนใจในโลกทีวีใสเขากลับทํฌาปนสมาบัติวิญญาณสมาบัติด้กล่องตัวฝึกเราเดียวไปในกล่องคือผู้ใหญ่อายเพราะไหมแต่นว่าอันดาเพราะเมื่อกาใสนใจนี่เนี่ยแค่ทําทุกครั้งเมื่อการงใจนี่เนว่า เรารู้ล่ใใจเขาออกหมดเวลาใจเ่อานึกว่านะมักอะไรอะไรใออนนึกว่าผ่านนันไม่ใช่เวลาที่นั่งปฏิบัติเวลาเดินไปเดินมาก็นึกภาวนามาเรือยไปอาวนามาเรื่อยทำอะไ้อยู่ก็ภาวนามาเรื่อยไปมันเือยก็เพลิดเพึินทำอะไ้ก็ภาวนาเรื่อยไนี่สิ่งนีู้ที่ปฏิบัติหม่ แล้วรมใจอันหน่งเัิงใหม่กับเก่าก็เหมือนกันเลยว่าเก่ากันาก็มี้มใจอีกตัวนว่าเจ้ายาสนใจกับร่างกายร่างกายมันจะโยกมันจะโค้มันจะดิ้นติงตังคงคลังมันจะปวดหัวตึงหน้าตึงหลังสร้างของมันคิดได้ร่างกายก็ไม่เกิดมาเพื่อตายมันจะตายก็ในเวลานี้ก็ดีลราจะได้ไปนิพพา ให้จิตจับปณิพันธ์เป็นอารมณ์เมื่อการทาแบบนี้เราไม่ต้องการร่างกายอย่างนี้อีกเราไม่ต้องการเรืเวลาเราไม่ต้องการเพมเราต้องการปณิพันธ์ขณะอุษมณ์พระวิธรรมมรรคศาสนาสัมมาสัมพทธจ้าอยู่ที่ไหนเมตต์เมตตาข้าพุทธเจ้าเสด็จมาใกล้ข้าพุทธเจ้าเพื่อข้าพุทธเจ้าจะขอเป็นอันตรมีเป็นที่สุด การปฏิบัติดบบเวลาราต้องทรงกำลังใจในสมาธิถ้าเราโลภหรืไม่ใจก็ออกวลาอใจเข้าละภาวนาหมักใจออกดลวย่าทาแต่ว่าเวลาที่ครูเขาเข้าไปสอบตอนนั้นเรายุดภาวนาระดับใหม่ทำใจสบาลฟังคำแนะนำของครูผู้สอนถ้า้ราตัดแรงตัดขันห้าไปร่างกายไห่เป็นทุกข์เป็นสุขแล้วก็ตามป ให้จ <ITA> ิตต like, ัดไปตามนั้นจริงๆใจจักเ์อะว่าฟังเขาสอนใจมโนนิราวารยันไมจะมาฟังจำฟังเขาพูดแล้วก็ตัดให้มันเห็นในกางความปจริงครูเขาจะสอนต่างๆเป็นจริงของขันธห้าต้าว่าทุก่านธ์สามารถจะน้อมจิตไปได้ตามคำแนะนำของครูวันนี้ก็ถึงขัน ถ้าว่าท่านไม่สามารถจะทําได้ก็แสดงว่าท่านเป็นพระพระบุคคลในการเจริญธรรมทานนี้ท่านแต่ในสมัยสมเด็จพระเทสุพนมาจนถึงสมัยปัจจุบันไม่มีใครที่นั่งจำที่จำใครเหมือนสมณคนี้มีสมณครีมอย่งเดียวที่นั่งจำที่จำใครเพราะความความบาดีในท่านแต่ว่าทำท่านอย่างนี้แต่ท่านยัไปไม่ milk, right? ได้ก็ปฏิว่าเป็นอาพพระบุคคล คือเป็นบุคคลที่หาความเจริญไม่ได้ทนนี่พระพุทธเจ้าไม่ทรงโปรดต่อดีนี้ใส่ข้ามันดาทุกท่านตั้งกายให้ตรงดำรงจิตให้มันเรารู้เราไ ม, ม่ใจเราออกสลับท่านผู้ใดแล้วก่ อ, อนทียจะเคลื่อนชำละจิตให้สะอาดให้เห็นพระอยู่ในอกใส่มันดองแจ้าเป็นประกายเพชร แล่วการบทีตเข้าไสู่ริพานในอันดับแรกต้นงลการอธิษฐานจลสมาธิแจรับคำสอนดจากนั้นจะไปอยู่ยมที่ไหนประการปฏิญาใจแต่สำหรับผู้มาใหม่ที่ยังไม่ได้อยตั้งใจตัดสินใจแน่นอนว่าเราจะจิตเข้าไปควบคุมจะเพื่อลมใจเข้าออกธรรมวนาเาใจเข้านึกว่ามะเอใจออกนึกว่าพระน ตอนนี้ใคยก็จะรับคำสอนและบรรดาจักรตระเวนศัพท์นั่งภาวนากันอยู่ตัี่สี่สิบเจ้วครูจะไปแนะนาท่านพนที่เก่งริกคนที่ยังไม่ได้จะเพิ่มลิมตาเนอะเพราะว่าครูจะไปแนะนำท่านตอนที่สูเข้าไปแนะนอยาภาวนาปล่อยใจทิ้งไปสำหรับทำเท่าไหร่แล้วก็ทำติดตั้งให้อย่างที่ทำเป็นอารมณ์เมื่อเ ท, s <S ที่ยงค้างไห้ยังจะน so ั evet. ่นจะไปไหนก็ได้ตามปฏิญาณไปเขาเรียนทำได้